อันกิเลสในวัตถุในอารมณ์ทั้งปวงเนี่ยนะโดยเฉพาะในขันธ์ห้ากิเลสตันหาทิฏฐิอุปาทานอนุสัยเหล่านั้นพระองค์ตัดรากขาดหมดแล้วคําว่าตันหานี่ก็เป็นชื่อของรูปปัตนหาสัทธตันหาคันทะตันหารสตันหาโพตภพตันหาธรรมตันหาตันหานั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วทรงตัดแล้วตัดขาดแล้วตัดพร้อมแล้วสงบแล้วระงับแล้วทําไม่ให้อาจเกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือยาน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 พระองค์นั้นเป็นผู้พ้นวิเศษดีแล้วคือมีพระไถยพ้นวิเศษแล้วพ้นวิเศษแล้วพ้นวิเศษดีแล้ ว, ว, ลวจากราคะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธตลอดจนถึงอกุสลาภิสังขารทั้งปวงเนี่ยพระองค์ทรงละได้หมดแล้วเรียกว่าทรงละความเพลิดเพลินข้ามโอคะพ้นวิเศษแล้วกัปปะนี่เป็นชื่อของความดำริด้วยตันหากับทิฐิความดำริด้วยตันหาทิฐิสองประการเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้ว ทรงละความดํ âm ฤด้วยตันหาสละคืนความดําริด้วยทิฏฐิแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วชื่อว่าทรงละความดํ âm ฤเพราะพระองค์ทรงละความดําริด้วยตันหาสละคืนความดํ âm ฤด้วยทิฏฐิคําว่าขออาราธนาก็คือขออาราธนาเชื่อเชิญทูลให้ยินดีปรารถนาชอบใจคําของพระองค์นะ พระองค์ผู้มีปัญญาดีก็คือปัญญาความรู้กิริยาที่รู้ความไม่หลงความเลือกเฟ้น ท, ำำทําสัมมาทิฏฐิเรียกว่าปัญญาหรือเมธาเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้าไปเข้าไปพร้อมเข้ามาพร้อมเข้ามาถึ ง, ถ ง, ถงพร้อมเนี่ยนะเข้าถึงเข้าถึงพร้อมประกอบด้วยปัญญาชื่อว่าเมธานี้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าผู้มีปัญญาดีเมธาเนี่ยนะเมทาวีผู้มีปัญญาดีเนี่ย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 ข้าพระองค์ขออาราธนาพระองค์ผู้ละความอะไรคือตัญหาตัดตัญหาเสียได้ไม่มีความหวั่นไหวด้วยตัญหาละความเพลิดเพลินเสียได้ข้ามโอเคแล้วพ้นวิเศษแล้วละความดำเริจด้วยตัญหาและทิฏฐิพระองค์มีปัญญาดีชนทั้งหลายได้ฟังคำของพระองค์ผู้เป็นนาคแล้วจากหลีกไปจากที่นี้คือไปสู่ทิศน้อยที่ใหญ่ข้าแต่พระองค์ผู้กล้าชนต่างๆมาแล้วจากชนบททั้งหลาย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 คำว่าไม่พึงเข้าไปยึดถือคือไม่พึงยึดถือไม่พึงเข้าไปยึดถื อ, ไ ม, ถอไม่พึงถือไว้ไม่พึงจับต้องไม่ถึงถือมั่นซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณไม่พึงยึดถือคติอุบัติไม่พึงยึดถือในปฏิสนธิในพบสงสารและวัตตะคำว่าภิกษุคือกรัลรยาณปุตุชนหรือพระเสขาเรียกว่าภิกษุอันนั้นก็มีสติอันนั้นให้มีสติก็คือมีสติ เจริญสติปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรม น, นะก็ให้ละความยึดถือเอ่อให้ละความยึดถือนะมีสติไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกอ่า น, นะอะไรก็ไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรก็ช่างเถอะในโลกคือขันเอ่อในอบายโลกเทวโลกมนุษยโลกขันอายตนะาธาตุโลก เพราะฉั้นให้มีสติไม่พึงยึดถือด้วยอำนาจตันหาที่ดิในขันทั้งปวงในทุกโลกั้นคำว่าเห็นเมื่อเห็นเห็นว่าหมูสัตว์เนี่ยนะติดอยู่ในขันท่าเครื่องยึดถือคือสัตว์เหล่าใดยึดถือเข้าไปยึดถือถือไว้จับต้องถือมั่นซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคติอุบัติปฏิสนทิพบวัตตะสงสารสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าติดข้องอยู่ในขันท่าอันเป็นเครื่องยึดถือเนี่ยนะคือขันท่านะั่นแหละ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 พันอยู่ที่ตาปูเหมือนกับเหมือนอะไรเหมือนของที่ติดอยู่ที่ตะปูที่ติดในฝานะเหมือนกเกาะว่าอย่างนั้นแหละหรือเหมือนไม้นาคาทันดะเนี่ยนะคือเหมือนขอช้างเพราะว่ามูสัตว์เนี่ยเกี่ยวข้องเกาะเกี่ยวพวันในบ่วงแห่งมะจุคือในบ่วงแห่งมารบ่วงแห่งความตายในกิเลสในขันในอภิสังขารนั่นแหละ สรุปว่าเพราะเหตุนั้นพิฆสูรู้อยู่คือรู้อริยสัตว์เห็นอยู่ซึ่งหมูสัตว์ผู้ข้องอยู่ในบ่วงแห่งมัจจุคือบ่วงแห่งกรรมกิเลสวิบากเนี่ยนะเห็นว่าหมูสัตว์เนี่ยเป็นผู้ติดข้องอยู่ในรูปประขันเป็นเครื่องยึดถือเห็นว่าเออหมูสัตว์ปกติเขาเป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นให้มีสติจเจริญสติประธานเป็นต้นแล้วก็ไม่เข้าไปยึดถืออะไรๆคือไม่ยึดถือขันห้าอะไรอะไรในโลกทั้งปวงนะั้น